เหมือนกับหลวงปู่เสาเห็ดมันเกิดขึ้นตามวัดบอกให้เนรไปเก็บเนรเก็บเห็ดนี่ไปหมกไฟให้กินเนรก็ไปเก็บได้ถ้วยกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งเอามาหอม่อหมกเอาไปถวายหลวงปู่หลวงปู่ก็ฉันจนหมดทีเนี้ยไอเจ้าพวกเนรนี่แหละทำหอ่อหมกเนรห้าถึงหองตักแจกกันคนละช้อนคนละช้อนฉันอาหารยังไม่อิ่มเลยสลบเหมือทั้งหกองหลวงปู่เสาท่านถามเนนว่า